ทำมาตามสบายวันนี้ก็นําเรื่องทิ่ทานต่างๆมาเล่าให้โยมฟังแก้ง่วงอาจจะเป็นวันเบาๆอาจมาจึงเรื่องมาพูดวันจันทร์เพราะว่าวันจันทร์อาจารย์ไปศาลไม่อยู่พระกรรมฐานก็ไม่อยู่ใช้พูดทางโลงพูดสบายกลุ่มก็ไม่เข้ายังไม่เข้ามาเพราะบรรยากาศเช้าๆเนี่ยถ้าพูดเรื่องหนักไปบางทีโยมก็ง่วงอาทิตย์หนึ่งเนี่ยส่วนมากหนักหนักทุกวันแหละมีเรื่องหลุดพ้นเรืรู้สึกตัววันนี้ก็มาสู่เรื่องธรรมดาธรรมดาก็แล้วกันมีวัดอยู่วัดหนึ่ง เจ้าวาดพึ่งบรรณาภาพไปชาวบ้านจึงได้ น, นิมนต์หลวงตาที่อยู่วัดใกล้มาเป็นเจ้าวาดขั้นถึงวันพระชาวบ้านก็มาถือศีลอุโบสถแล้วก็มีการฟังธรรมกันกะตาธรรมเนียมเจ้าวาดก็ต้องแสดงธรรมหญาติโยมฟังหลวงตาขึ้นธรรมราแล้วก็เทศแต่หลวงตาเทศไม่เป็นเทศวกไปวนมา เหมือนพายเรือเนี่อ่างและเสียงก็โทนเดียวชาวบ้านฟังแล้วไม่รู้เรื่องฟังไปนานๆก็เริ่มเบื่อเริ่มเซง็งบางคนก็นั่งหลับคือไปมาหลับหลับสบายเลยบางคนฟังแล้วหลับไม่รู้ตัวยทีก็เทศจบแล้วครั้งแรกชาวบ้านก็ไม่ว่าอะไรวันพระต่อมาครั้งที่สองหลวงตาก็ขึ้นเทศอีกชาวบ้านก็เริ่มบ่นหนักกว่าเดิม พอครั้งนี้ชาวบ้านที่เราฟังทมหลับสบายเลยหลับไปเกือบหมดสาราแล้วต่อมาหลังจากนั้นครั้งที่สามวันพัสที่สามหลวงตาก็เทศอีกแต่คราวนี้มรคทา ย, ยกและชาวบ้านเริ่มไม่พอใจแล้วบอกหลวงตานเนี่ยเทศไม่เป็นสับปะรดเลยไม่มีภูมิภูมิธรรมหรือความรู้อะไรมาก่อบมาชาวบ้านหลับสบายหลังจากเทศเสร็จมรคทา ย, ย ก, ก็นาชาวบ้านเนี่ย ไปทักท้วหลวงตาที่กุติบอกหลวงตาทำไมทาไมเทศแบบนี้ต้องปรับปรุงพัฒนาให้ดีกว่านี้นะหลวงตาก็มองหน้าพวกโยมทําหน้าตาขึงขังแล้วก็กล่าวขึ้นด้วยเสียงราบเรียบแต่จริงจังบอกว่าพวกโยมเนี่ยไม่รู้ของดีพวกโยมทํางานหนักเครียดกับเรื่องโรคมาทั้งวันมาฟังอธิบาย พู้ธรรมะแล้วหลับสบายยังไม่ชอบอีกไม่ต้องไปเสียเงินซื้อยามากินพวกโยนี่มองโลกในแง่ล้ายมาอาตมา ก, ก็มาฟังธรรมอาตมา ก, ก็หลับสบายสุขภาพก็ดีไม่น่าจะบ่นเลยนิทานเรื่องนี้ก็จบแต่ก็ไปอีกหลายที่นะครับตาวัดบ้านนอกเนี่ยบางทีก็บางทีงทหลวงตาพรรษายังไม่ค่อยเยอะแล้วก็ไม่ได้เรียนอะไร ตามมโนอ ก, ก็ส่วนมากมีภาคแก่ๆเยอะเขาก็มี ม, มูลเป็นเจ้าวาดบางทีภาษาสี่ภาษาห้าก็เป็นเจ้าวาดกันแล้วอันนี้เรเห็นได้ทั่วไปบางคนถ้าทางโลกเนี่ยอาจจะมีความรู้เป็นครูหรือเคยพูดมาก่อนก็ถือเทศได้แต่บางทีเป็นคนมันนอกไม่เคยทําไม่เคยเทศ ก, ก็ก็เทศไม่ได้ก็มีเพราะเรื่องเทศต้องหัดอะ่ะไม่ใช่มาถึงเทศกันได้เลยนิ่ถ้าเรื่องต่อมาเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาบางครั้งเราแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด ปัญหาก็นอกจากแก้ไขไม่ได้แล้วกับเบี่ยงประเด็นด้วยมีวัดอยู่แห่งหนึ่งเป็นวัดปฏิบัติธรรมมีสารที่ใหญ่โตมากมีพระใหม่อยู่ท่านหนึ่งพระพระใหม่รูปนี้ตั้งใจจะปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้หลุดพ้นมีความศรัทธาแรงมากจึงมาขอจเจ้าอาวาสเพื่อไปเก็บอารมณ์หรือปิดวิเวกออกจากหมู่คณะเพราะการอยู่ร่วมกับหมู่คณะเนี่ยบางทีก็ทําให้ ปฏิบัติทรรมไม่สะดวกเจ้าวาดเหตุพระองค์นี้มีอินทรีย์ใช้ได้มีฟารมเบียใช้ได้จึงให้ไปอยู่กุฏิที่ไกลๆหลังเขาคืออยู่ไกลที่สุดของวัดเพื่อให้มีโอกาสได้เก็บอารมณ์แต่เพอเอินบริเวณนั้นมีหนูชุกชุมแล้ววันหนึ่งหนูก็ประกาศจีบอลของพระรูปนี้จนขาดพระรูปนี้ก็นั่งปะนั่งเย็บจีบร ให้หายขาดให้ดีดังเดิมก็รู้สึกเซงมีค้ามรสึกว่าหนูเยอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่ากัดก็เราขาดอีกจึงมีความคิดว่าอย่างนี้ถ้าทาง้องเลี้ยงแมวแล้วเพราะอย่างน้นนอยๆแมวก็ข่มขู่หนูไม่ให้หนูว่หาหนูมาแถวนี้จึงตัดสินใจไปขอลูปแมวจากชาวบ้านมาเลี้ยงเพราะว่าตัวตัวแมวตัวใหญ่คงไม่มาขอขอแมวเล็กจะง่ายกว่าหลังจากนําแมวมาเลี้ยง ทีนีหน้าที่ใหม่ของพารลูกนี้ก็ต้องเลี้ยงหาน้ํานมมาให้แมวเพราะแมวตัวเล็กอยู่ยงช่วยเองไม่ค่อยได้ต้องเดินทางเข้าหมู่บ้านขอนมบัวจากชาวบ้านเดินทางไปกับวันหนึ่งก็หลายกิโลแล้วก็เสียเวลามากทําให้ไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติธรรมพารลูกนี้ก็เบื่อแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เพิ่มภาระจึงตัดทิ้ใจซื้อแม่บัวมารีดนมเองดีกว่ารู้สึกง่ายขึ้น ทีนี้หน้าที่พระก็มีงานใหม่เข้ามาอีกแล้วหน้าที่ต้องเลี้ยงวัวคือต้องพาแม่วัวไปหายากินทำให้เวลาที่จะภาวนากับน้อยลงไปอีกไปามาจิตตัดสินใจจ้างชาวบ้านมาช่วยเลี้ยงวัวโดยจ้างลูกสาวชาวบ้านแถวนั้นแหละแต่จ้างไปหลายเดือนตัวเองก็ไม่มีไรายได้อะไรเงินก็เริ่มเริ่มล่อยหลอลงไปเรื่อย จึงตัดคิดใหม่อีกทีว่าเอ๊ะท่าทางเราแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเงินจ้างแล้วเถอกช่วยงานแล้วเราได้ทุทกอย่างไปโยมก็ปฏิบัติ ท, ทําได้ไม่เกี่ยวต้องสวม เ, เครื่องแบบเป็นพระภาคโยมนี่ไม่สําคัญสำคัญอยู่ที่ใจจึงตัดสินใจขอเธอแต่งงานผู้หญิงก็ชอบพระองค์นี้อยู่นะก็เลยตกลงแต่งงานด้วยกันอยู่กินกันไปเอามา ก็ศึกอยู่กินด้วยกันเนีแล้วอาจารย์มาเยี่ยมเจ้าวาดตกใจเลยเพราะนึกไม่ถือว่าลูกศิษย์เนี่ยจะไปไกลขนาดนี้จากแก้ปัญหาเรื่องเล็กๆจากหนูปกัศจีวรกลายเป็นศึกความีครอบครัวแล้วตอนหลังไปเม า, มากลายเป็นว่าเบี่ยงเบนออกไปไกลมากจนแบบเปลี่ยนเพศบปำบิตเพื่อมารักษาจีวรแทนที่จะแก้ไขาจากเรื่องหนู อันนี้คือวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องก็มีหลายคนแก้ปัญหาแบบนี้อันจะเห็นได้ทั่วๆไปการแก้ปัญหาถูกต้องก็ต้อง อ, ง อ, งองายเพื่อนอนาศัยกิยามิตรบางทีก็ต้องเราปรึกษาเพื่อนก็มีเพื่อนมีความรู้แตกต่างกันอันนี้ช่วยได้แต่บางคนมีอะไรขึ้นมาแล้วไม่มยอมปรึกษาเพื่อนเลยคิดเองตัดสินใจตูมเดียวผิดอาจจะผิดพลาดได้เช่นนิทานเรื่องต่อไปที่อาจจะจะเล่าโยงฟังใช้หนุ่มอยู่คนหนึ่งชื่อว่าโจ มีอาการปวดหัวมา20ปีแล้วเริ่มปวดหัวมาตั้งแต่อายุ18โจก็ไม่ยอมไปหาหมอหรือกินยาอะไรคงคิดว่าช่วงอายุ18เนี่ยคงเครียดจากการเรียนหนักพอหลังจากนั้นอายุ28เรียนจบก็มาทํางานโจก็คิดว่าเอ๊ะคงจะเกี่ยวกับเราทํางานหนักไปเครียด จ, จึงเป็นสาเหตุให้ปวดหัว ก็เลยไม่สนใจหาหมอและกินยาไดอย่างใดจ น, จนตอนนี้โจอายุสามแปดแล้วแต่อาการปวดหัวก็หนักขึ้นหนักขึ้นจนในที่สุดโจจึงตัดสินใจไปหาหมอที่คลินิกแห่งหนึ่งหลังจากปรึกษาหมอแล้วจนหมอรู้ว่าการหมอก็บอกว่าผมมีข่าวดีและข่าวร้ายจะมาบอกคุณโจก็ถามข่าวดีข่าวร้ายคืออะไรหมอก็ตอบว่าข่าวดีคือหมอสามารถรักษาลโรคของคุณได้หายขาดได้ อย่างร้อยเปอร์เซน้าวแล้วข่าวร้ายแล้วหมอข่าวร้ายคือหมอตัดไข่คุณทั้งสองข้างทิ้งโจได้ยินนะตกใจมากเลยเพราะต้องตัดไข่ทิ้งและหมออธิบายต่อไปว่าอาการของคุณเนี่ยเป็นเคสที่แปลกที่สุดไม่เคยเห็นมาก่อนอาจจะหนึ่งในล้านหรือร้อยหรือหรือหลายสิบล้านก็ได้ คือประสาทส่วนล่างคือไข่ของคุณเนี่ยไปดันเส้นประสาทส่วนล่างสุดของไข่กระดูกสันหลังทำให้มีอาการปวดหัวคือไข่ไปลังไว้ลังเส้นประสาทถ้าตัดไขท่ทิ้งปุ๊บปัญหานี้ก็จะหมดไปทันทีโจคิดหนักเลยว่าโจยังไม่มีเมียกลับไปนอนชิดอยู่คืนหนึ่งแต่อาการปวดอาการปวดหัวก็ทรมานมาก โจตัดที่ใจเอ้าไปไงเป็นการยอมเสียไข่ดีกว่าจะได้หายปวดหัวจึงตกล ง, กลงตัดไข่ทีหลังจากตัดไข่แล้วออกจากโรงพยาบาลโจก็รู้สึกว่าสมองโล่งปวดโป่งไม่เจ็บหัวอีกแล้วแต่เหมือนขาดอะไรไปบางอย่างชีวิตเวิองว้างเหลือเกินแต่โจก็มีกำลังใจเข้มแข็งจึงเดินเข้าไปในร้านตัดสูตรที่แพงสุดของเมือง เพื่อให้รางวัลกับตัวเองและปลอบใจตัวเองที่สูญเสียอะไรบางอย่างไปพอเข้าไปถึงร้านตัดสูตรที่เก่าแก่ของเมืองชายชายแก่เจ้าของร้านก็ออกมาต้อนรับโจก็บอกว่าขอดูสูตรสักหน่อยครับเจ้าของร้านก็ต้อนรับอย่างดีแล้วก็มองมองรูปร่างของโจแล้วก็ค่าคํานวณได้เลยว่า ต้องไซส์44โจก็แปลกใจก็บอกถูกต้องถูกแล้วครับแล้วคุณรู้ได้ไงชายชร า, าเจ้าของร้านตอบว่าผมเปิดร้านมา60ปีแล้วครับหลังจากใส่สูตรแล้วโ จ, โ, จโจก็ไปเดินชมดูที่กระจกก็เห็นว่าเทด่ดีเข้ากับรูปร่างเจ้าของร้านก็กมาถามต่อสนใจ เชิ้ตไหมครับโจก็บอกก็ดีเหมือนกันชัยชรลามองโจอยู่แว บ, บหนึ่งแล้วก็บอกว่าช่วงแขน3 4สช่วงคอส6บหนิ้วอ้าวรู้ได้ไงเนี่ยชัยลาบอกก็เปิดมาร้านมา60ปีแล้วตอบด้วยความคลองแควโจก็ลองลองเสื้อเชิ้ต ตัวใหม่เดินเดินเล่นไปก็ถูกใจอ่ะคือเจ้าของร้านนี่ตาถึงวัดขนาดเก่งโดยไม่ต้องใช้เครื่องไม่ต้องใช้สายแล้วมาวัดเลยสักพักหนึ่งเจ้าของร้านก็มาถามอีกสนใจรองเท้าใหม่ตะคู่ไหมครับโจก็บอกก็ดีเหมือนกั น, นไหนๆก็เปลี่ยนแล้วทั้งตัวเลยเอารองเท้าใหม่ก็ได้ชัยรามองปฏิติีของโจแล้วบอกว่าขนาด ก้านิ้วครึ่งโจก็ตกใจเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยผมเปิดร้านมาหกสิบปีแล้วครับโจก็สวมรองเท้าคู่ใหม่ซึ่งกระชับและกระลับพอดีเลยไม่รัดเท้าจนเกินไปเดินชมรอบร้านสะพังเจ้าของร้านก็มาถามอีกรองเก่งตัวใหม่สักตัวไหมครับโจบอกได้เลยเจ้าของร้านมองไซน์รองเกงของโจแล้ว ก็บอกว่าต้องใช้เบอร์สามหกโจหัวล็อกกากเลยข่าวเนี้ยคุณผิดแล้วผมเนี่ยใส่เบอร์สามสี่มาตั้งแต่อายุสิบปดชายชราเจ้าของร้านมองหน้าโจอย่างจริงจังมากเอ้าคุณใส่ไปได้ยังไงเนี่ยสายคุณต้องสามหกถ้าคุณใส่สามสี่นะทางเกงเนี่ยมันจะไปรัดมันจะดันไข่คุณเนะ่ะ ทำให้ไปกดทับเส้นประสาท ส, ส่วนล่างสุดของไขกระดูกสันหลังทำให้คุณปวดหัวมากคุณไม่ปวดหัวบ้างเหรอโจอีพังอะเลยเพอได้ยินอย่างงี้นิทานเรื่องนี้ก็จบพอถ้าเกิดโจเนี่ยมาหาล้านตั ด, ตดผ้าก่อนโจก็ไม่ต้องเสียไข่เพราะว่าปัญหาโจเนี่ยก็คือแสงเกล้ยงลัดเกินไป ผิดขนาดไงคือขนาดต้องใส่สามหกแต่โจเนี่ยชอบอะไรลัดๆมันก็เลยเป็นสาเหตุให้สาเหตุให้ไปบีบไปบีบไข่ให้เข้ามาทําให้เกิดอาการปวดหัวเพราะโจไม่ได้แก้ปัญหาที่สาเหตุไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็มีอีกมากมายหลายคนนะฮะบางทีเรามีเพื่อนมีกตยามิตรเนี่ยมีคนมีความรู้มากมายถ้าเราเห็นเรื่องปัญหาอะไรบางเรื่องที่คิดไม่ออกเนี่ยเราต้อถามคนอื่นถามผู้รู้ก่อนก็ได้หรืออย่างน้อยไม่ถามก็ถาม กูเกิลก็ได้ภาสาแบบนี้กูเกิลเนี่ยเป็นขุมคลังความรู้ถ้าใครไม่รู้จักกูเกิลนี่เฉยมากเลยทุกเรื่องพระตไตรปิฎกเล่มไหนธรรมะาข้อไหนกูเกิลรู้หมดยารักษาโรคหรือสิ่งทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรที่กูเกิลไม่รู้ถ้าเทคโนโลยีเรใช้เป็นก็เกิดประโยชน์ถ้าใช้ไม่เป็นก็มีโทษใช้เป็นก็กลายเป็นส่งเสริมพิเรนไปเต้นเกมมั่ง เล่นเกมใช้ชีวิตวันเดี๋ยวเราก็ตายแล้วไร้าสาระก็มีอีกมากมายที่ติดเกมคืออันนี้ใช้เทคโนโลยีในทางไร้สาระแต่คนใชเ้เทคโนโลยีในทางมีสาระเนี่ยเราก็นํามาประยุกต์ทำเพื่อความรู้ให้เราได้เพราะความรู้ของเราเนี่ยที่เรารู้ๆเนี่ยส่วนมากเป็นความรู้เก่านะอย่าคนจบปริญญาตรีมาจบโทรมาแล้วก็แป๊กกล้จบไปอันนี้ความรู้ของของเก่าแต่ความรู้ใหม่ไม่เกิด บ, บางทีจึงไม่พัฒนาตนเองความรู้ใหม่สําคัญกว่าความรู้เก่า ความรู้เก่าไป็สิที่ตายไปแล้วบางทีเราเรียนมาเพื่อทำมาหากินแต่ที่เสริมส่งเสริมปัญ ญ, ญาจริงคือความรู้ใหม่และวิธีคิดที่ใหม่ๆคิดใหม่ทำใหม่แต่ส่วนมากคนไปติดความรู้เดิมๆซึ่งเป็นของตายใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้เลยก็มีอย่างมากถ้าเราใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์้เราแก้ปัญหาแก้ตรงจุดด้วยของโจถ้แก้ปัญหาง่ายๆก็ ปรึกษาเพื่อปรึกษาผู้รู้ก็ไม่ต้องเสียใขย่มีอีกนิทานเรื่องต่อไปนิทานเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองมีชายอยู่คนหนึ่งมีปัญหาแก๊สในกระเพา ะ, พาะคือไปข่อยตดบ่อยมากจดตดจนลำคานตัวเองลำคาญไม่รู้ทำไงดีชายคนนี้ก็มีความืตีตดตัวเองไม่เหม็น คือทั้งไม่มีทั้งเสียงแล้วไม่มีทั้งกลิ่นแต่กระลำคาญจึงไปปรึกษาหมอระหว่างคุยกับหมอในห้องก็ตดอยู่นั่นแหละแล้วก็บอกหมอว่าหมอเป็นยังไงบ้างผมปล่อยตรวหลายครั้งแล้วเนี่ยไม่มีทั้งเสียงไม่มีทั้งกลิ่นแต่ผมลาคานหมอมวิธีช่วยผมได้ไหมหมอหมอก็ทาสีหน้าแบบ บอกบุญไม่รับอะ่ะสีหน้าแบบแล้วก็บอกเอานี้กั น, กนเอายาไปกินแล้วหมอก็จ่ายายาไปอาทิตย์หนึ่งผ่านไปชายหนุ่มคนเดิมก็เข้ามาหาหมออีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็วุ่วายเลยหมอให้ยาอะไรผมไปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมตดไม่มีกินแต่ตอนเนี้ยเหม็นไปหมดเลยหมอก็หัวเราะแล้วบอกการรักษาของหมอได้ผลแล้ว ตอนนี้ยาที่ให้กินไปเนี่ยมันไปรับรู้ทําให้ทําให้ประสาทการรับรู้เกี่ของคุณดีขึ้นเหลือขั้นตอนต่อไปหมอจะให้ยารักษาการรับรู้เรื่องเสียของของคุณีทิทานเรื่องนี้ก็กจบคือชายหนุ่มคนนี้ไม่รู้จักตัวเองคือมีความคิดว่าเราตดไม่ท่าพิษคุณเดือดร้อน ไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นแต่ที่จริงมันไม่ใช่แล้วมีคนคิดแบบนี้เยอะคิดว่าเราไม่ก่อความรำคาญคนอื่นแต่บางครั้งก็ก่อนนะเรารู้จักตัวเองคือเราไม่เข้าใจตัวเองเรามาปฏิบัติธรรมมาเรียธรรมะก็เพื่อให้เรารู้จักตัวเองรู้จักคิเลสตัวตนเองอย่างบางคนเนี่ยไม่แปลงฟานปากเหม็นถ้าเพื่อไม่ทักเราก็ไม่รู้เราปากเหม็นหรอกแล้วอยากเพื่อนมาทักบางที่เป็นกรรมนะคนที่ไม่มีเพื่อนกล้าบอกอ่มันก็เหม็นตลอดชีวิตอล้ หรือพีกลิ่นตัวแต่ถ้าเพื่อนมาทักบอกอ้าวอันนี้คุณปากเหม็นนะต้องดูแลรักษาสุขภาพปากหน่อยอ้าวคุณมีกลิ่นตัวแรงนะอาจจะต้องใช้หาตัวช่วยหรือบางคนเดินตัวเอียงเดินหลังค่อมหรืออื่นอื่มากมายมีบุคลิกภาพที่แบบไม่ดีบางทีเพื่อนไม่บอกเราไม่รู้นะเพราะกีฬาของเราเจะเคยชินกับความไอที่เรากระทาเดิมๆอะ่ะคือชินวินิสยัยแต่เพื่อนมาทักปุ๊บอ้าวคุณจะทํางี้นะ ทำแบบนี้เสียบุคลิกภาพอันนี้เราสามารถปรับปรุงได้ฉั้นคนเตือนเราเนี่ยจึงเป็นการชี้ขุมทรัพย์ให้เราได้มีโอกาสปรับปรุงแก้ไขตนเองอย่างหลวงพ่อพุทธทาได้แต่งกอนไ้ก่อนหนึ่งก่อนตาบอดตาดีหมู่นกจ้องมองเท่าไหรมองเท่าไหรไม่เห็นฟ้าถึงฝุงปลาก็ไม่เห็นน้ำเย็นสยใสไส้เดือนมองไม่เห็นดินที่กินไป นอนก็มองไม่เห็นคู่ที่ดูดกินคนทั่วไปก็มองไม่เห็นโลกต้องทุกโศกหมุดหิดอยู่เป็นนิจสินส่วนชาวพุทธประยุกต์ธรรมตามระบินเห็นหมดสิ้นทุกสิ่งตาจยิงเออยก่อนนี้ก็แต่งไวด้ดีเพราะคนทั่วไปส่วนมากเราจะไม่ค่อยรู้จักโลกหรอกเราจะหลงตัวเองก็เหมือนฝูงนกแหละมองไม่เห็นฟ้าป่าก็ไม่เห็นน้ำไส้เดือนก็ไม่เห็นดิน หนอนก็มองไม่เห็นคูด่ดแต่เรามาเรียนธรรมะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็เริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นละคือได้รู้รู้ว่าเรามีกิเลสมีควาโ ม, า โ, มาโลภมีความโกรธมีความหลงอันมาทีบวดไปนานๆนึกรู้วตัวเองเป็นคนไม่ดีนะตอนแรกใหม่ๆก็คิดว่าตัวเป็นคนดีตอนหลังก็เลยรู้ว่าบวชไปน า, นานกิเลสเราเยอะจังคือเมื่อก่อนเราก็กิเลดไม่หลอกอะเราเป็นคนดีเค่งศีลบ้างอะไรบ้าง ฝึกตัวเองบ้างพอตอนหลังรู้ว่าไม่ใช่เลยทั้งหมดเนี่ยบาทีเราไปเพ่งโทษเพื่อนพิสัคนอื่นพอบวชมาหนานเราเข้าใจตรงนี้เราก็มาดูตัวเองแล้วตอนหลังรู้กิเลสตัวเองด้วยรู้เกลเกลคนอื่นด้วยเพราะเราเข้าใจตรงนี้เราก็แก้ได้บ้างไม่ได้บ้างอ่ะเพราะว่าเราอยู่ดุจชนอยู่เราก็ต้องสิ่งที่เราทําได้ก็คือเรียนรู้ไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองไปเท่าที่ทําได้แต่มันก็ยากนะบางคนเข้ามาใหม่เนี่ย ความคิดมันจะหลอกอะ่ะหลอกให้เราเป็นคนดีคิดว่าเราเป็นคนดีมันบังตาเราไม่เห็นเราเห็นความโลภไม่เห็นความหลงแต่ความโกรธดูง่ายอยู่ความโกรธเนี่ยอารมณ์โทสะมันเผาโกรธโกรธเนี่ยมันมาแล้วมันก็ไปแต่บรรเลวแต่อารมณ์ความรักความหลงความชอบเนี่ยอยู่กับเรานานทีเราไม่รู้ตัวเลยแหละอารมณ์พวกนี้อารมณ์เปรียบเทียบอารมณ์น้อยเนื้อต่ําใจอารมณ์ต่างๆเนี่ย ลมอิชฉาเนี่ยดูยากนอกจากเราเปิดใจกว้างถ้าเราปิดปิดกั้นการเรียนรู้นะเราจะไม่ไม่ได้รับความรู้ใหม่ขึ้นมาเลยเพราะเราคิดเรารู้แล้วก็มีหลายคนคิดแบบนี้เรารู้แล้วเราก็ไปสอนคนอื่นเราก็ตัวเองก็เลิกเรียนเลิกพัฒนาจึงทำให้ไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้มีชายแก่อยู่คนนึง ป่วยเป็นโรคหัวใจตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งอาการหนักมากแต่ก่อนที่แกจะมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยได้ซื้อลอตเตอรี่อยู่ชุดหนึ่งแล้วฝากลูกๆไว้พเพอินไอ้ลอตเตอรี่ที่แกซื้อเนี่ยถูอลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เงินรางวัลสิบสองล้านลูกๆ ก, ก็วางแผนจะมาบอกพ่อแต่ว่าติดตกที่ว่าแกเป็นโรคหัวใจกูัวแกช็อกตาย จึงพากันมาปรึกษาหมอว่าหมอมีวิธีพูดยังไงให้พ่อผมมีความสุขไม่ช็อกตายไปซะก่อนหมอบอกเรื่องนี้คุณไม่ต้องห่วงหมอหมอเชี่ยวชาญเรื่องการพูดสบายใจได้เดี๋ยวหมอจัดให้หมอค่อยๆมาพูดกับลุงที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยบอกลุงสมมตุติถ้าลุงถูถกะะรัตเตอรี่เอาไ ว, ว้ที่หนึ่งเนี่ยได้กันสิบสองล้านเนี่ย ลุงจะเอาเงินนี้ไปทำอะไร ช, ชายชราที่ป่วยเป็นโรคหัวใจก็ตอบหมอไว้ว่าโอ้ยหมอผมเนี่ยแก่มากแล้วอีกไม่นานก็ตายถ้าเกิดผมได้เงิน12ล้านแม่งจริงเนี่ยผมก็จะแบ่งให้หมอครึ่งหนึ่งในฐนานะหมอเนี่ยช่วยดูแลผมไปอย่างดีห่วงใยคนไข้แล้วผมก็รักหมอมากแล้วเหลืออีก6ล้าน ผมก็จะไปใช้กับพรอบครัวของผมในบ้านปลายชีวิตหมอแล้วผมก็ให้หมอจริงๆเลยนะย้ำตอกย้ำหมอนี่พอได้ยินว่าชายชาลาใจเกินหกล้านเนี่ยหมอเองก็เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วหมอช็อกเลยไปมาหมอตายชายชาลาไม่ตายเพราะหมอเป็นโรคหัวใจแต่ดันลืมตัวเองเรื่องนี้ก็มีแก้สอนนะบางทีเราเนี่ยไปสอนคนอื่นหรือไปบอกคนอื่นแต่เราก็เองก็เป็นนะ ที่เรามองนอกตัวไม่ว่าจะเป็นอาการป่วยหรืออาการเกี่ยวกิเลสเนี่ยบางทีบางทีคนที่เข้าใจเรื่องกิเลสเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์มากเอออามาไปคุยกับคนดีๆอ่ะอย่างอาจารย์ตุ MM ้มเลยอาจารย์ตุ้มไม่รู้เรื่องกิเลสเลยคุยกันอาจารย์ตุ้มบอกชีวิตท่านเนี่ยไม่เคยทำเรื่องแบบนี้นะอยากเอ า, ามาทํามาหมดแล้วไอ้ที่อาจารย์ตุ้มไปทําอ่ะคุยกันได้คุยไม่รู้เรื่องเลยเพราะท่าน <kaik S 1> <permite S 2> เป็นคนดีทั้งชีวิตไงท่านก็เลยมองไว้อย่างนี้เราทําไม่ได้นะ เรื่องที่ที่เราอัตรามาถามจากตุ้มไม่ทำอัตราจาึงมีความรู้เรื่องกิเลสมากกว่าแกถ้าคุยเรื่องกิเลสมาคุยให้โยมฟังได้อันนี้คือประสบการณ์ว่าบางครั้งเนี่ยคนดีแต่พูดเรื่องไม่ดีไม่ได้แต่คนที่รู้เรื่องทั้งดีทั้งไม่ดีเนี่ยคุยได้กว้างกว่าเพราะเราเข้าใจเรื่องกิเลสประสบกับประสบะการณ์เราเองสิ่งที่เราเคยทำไว้เคยติดเคยหลงเคยเรื่งต่างเนี่ยเอามาประยุกต์แล้วเราเข้าใจกิเลสคนอื่นด้วย ถ้คนนี้คิดอย่างเนี้ยจะต้องเจอแบบนี้ถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้นะอันนี้ก็จริงประคนนชอบโกหกโกหกจนไม่รู้ว่าตัวเองโกหกนะว่าคนที่โกหกครั้งครั้งที่หนึ่งสมมุติโกหกมันเรื่องนอกตัวเนี่ยไม่ได้เรื่องเกิดจากตัวเองนะมาผู้ครุ้ยสองมันจะไม่เหมือนแล้วแมาผู้คุยสามช่างมั่วเรื่องเดียวกันเนี่ยเราสังเกตได้คนไหนชอบโกหกเนะ่ยมาพูดสารอีกครั้งเนี่ยมันคนละเรื่องเลยเพราะมันจําไม่ได้แต่เรื่องเกิดตัวเองเนี่ยมันจําได้ แล้วก็จะแม่นไอ้มาเคยเจอพาหุคนหนึ่งโกหกจนจนแบบว่าตัวเองพูดทุกข้าโกหกคุยแต่เรื่องที่ตัวเองไม่ได้ทําจ่ตอนนี้ตายไปแล้วแกก็ป่วยตายก็เสด็จกระด า, าอยู่แต่แต่กแกแกไม่หายก็บอกแกชอบโกหกเพราะการโกหกเนี่ยมันมีอาสาทะมีสเสน่ห์ใครชอบโกหกมาเนี่ยมันแก้ไม่ได้เหมือนกันนะบางทีเราจะคิดว่าพาหเนี่ยจะต้องรักษาสิสองร้อยี่สิบเจ็ดบางทีสินห้ายังรักษาไม่ได้เลย จะ อ, อยู่กับพัวคือพาลูกเี็เขาตบยุงยุงมาพัวเลยเร็วเร็วมากชอบตบยุงชอบฆ่าสัตว์บีมดกับไอ้นี e ่ A, กับโกหกไอ้อยู่ใกล้กับเราเห็นเนี่ยบาทีเร็วเร็วเรื่องทําพวกนี้เป็นอาชีพเลยเบื่ออาชีพแต่เราก็แก้แก้ไขเขาไม่ได้นะเราเห็นว่าเราจะไม่ทําแบบเขาเอาเข้าไปอาจารย์สอนเราได้อยู่แล้วก็เอาเรื่องไม่ดีแบบนี้มาเป็นบทเรียนคนที่โกหกบ้าง พูดไปเพื่อจะไม่เชื่อถือสมมติรับปากใครไว้แล้วเราไม่ทำตามดังที่เราพูดเนี่ยเขาก็เชื่อเราครั้งสองครั้งต่อไปเขาก็บอกว่าฟังแล้วก็ผ่านไปอ่ะคือว่าพูดแล้วมันจะทำหรือคนที่คดีครบก็จะสึกชินแล้วก็จะไม่ให้เครดิตละต่อวันหลังพูดจาอะไรก็ไม่เชื่อถือไม่น่าฟังเครดิตกล็ลดลดลงเรื่อยๆจะมาขอยืมตังหรืออือนร้องให้ช่วยเขาก็ไม่อยากให้ยืมกลัวมันยืมมาเดี๋ยวมไม่ใช้ ยืมของเหล๋อวไม่มาคืนแต่ละคนที่เขาตรงไปตรงมามีสัจจะเนี่ยบางทีไม่น่าที่บายหรอกว่าเรายืมตังค์ไปใช้อะไรอาปากบอกเอาเงินละพันหนึ่งสิพวกเพื่อนก็กฟักให้แล้วก็รู้ว่าโคนเนี่ยคือแน่นอนไม่ต้องถามเป็นผลอันนี้คือเครดิตฉะนั้นเราก็ต้องรักษาเครดิตตัวนี้ไว้โดยการมีสัจจะอย่นคนมีสัจจะถ้าเราไม่มีสัจจะ แล้วก็ไม่มีเครดิตและเป็นปัญหาของเพื่อนและเป็นปัญหาของสังคมด้วยท่นิทานขอออกมาเนี่ยมาเล่าโยงฟังก็เป็นท่านิทานแบบมีสาระมั่งไม่มีสาระมั่งแต่ก็มีแง่คิดไงมีแง่คิดเพราะบางเรื่องก็ดูเหมือนติงต้องแต่ว่าอย่างเรื่องของโจเนี่ยเสียไข่เพราะปวดหัวเพราะถ้าโจปรึกษาเพื่อนแล้วก็มาหาชายตัด ร้านตัดตัดผ้าเร็วันนี้ก็ไม่เสียใขย่เพราะเป็นเรื่องง่ายๆแค่นั้นเองหลวงตาก็ไม่ได้แก้ปัญหาหรอกเพราะหลวงตาเขาก็ไปจากเขาอย่างนั้นแต่ชาวบ้านพยายามจะอยากให้หลวงตาเทพได้เก่งซึ่งเป็นไปไม่ได้อ่ะอก็ถือเป็นกรรมของชาวบ้านต่อไปต้องหลับสบายส่วนพระที่ศึกไม่มีเมียอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะมีหลายคนที่ชาวบ้านรู้จักอยากบวชตลอดชีวิตพอไปมาก็ บวชได้พรรษาเดียวก็บายบายแล้วแล้วก็หาข้อแก้ตัวอ้างไว้เรื่อยเพราะไอ้เรื่องนี้อ่านมาโมเป็นเรื่องธรรมดานะขนาดพระสามสิบรรษาก็ศึกเป็นเมียได้30กว่าภรรษา40่สรรษาก็ศึกได้เพราะว่าบางทีตราบใดที่เรายังเป็นปุถุชนยังไม่บรรลุธรรมบางที่ไปเจอเนื้อคู่บ้างเจออะไรบ้างอันนี้เราว่ากันไม่ได้ก็มีหลายคนแล้วที่เราเห็นจากไปก็ขอจากไปด้วยดีเป็นเรื่องธรรมดา บางคนก็บวชแล้วสืบไปแล้วปีนึ่งก็กลับมาหลายคนที่เรามาเห็นนะพระหลายสิบราษาเนี่ยแต่บางคนไปแล้วไปรับกลับไม่ได้ถูกเมียครอบงำหมดแล้วไม่สามารถกลับมาได้อันนี้ก็ต้องอยู่กินกันไปตลอดชีวิตแหะจนตายจากการรมอีกข้างหนึ่งเพราะแต่ละคนเราสร้างกรรมวิบากมาไม่เหมือนกันบางคนก็ต้องไปชดใช้กรรมอ่ะชดใช้กรรมแต่เป็นลูกเขยบ้านนู้นบ้านนี้ถึงกว่าจะบวชกรรมบางคนชีวิตไม่ได้สร้างกรรมเก่าไขไว้ ก็ทางสะดวกในการปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็คนอย่างเรื่องของตาชายชะาเนี่ยก็ก็มีเรื่องแบบนี้บ่อยเหมือนกันนะเราไปเราไปบอกคนอื่นแล้วแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราก็ได้อันนี้เป็นไปได้พวกญาติโยมก็ก็ระวังไว้ก็แล้วกันอธิบาเห็นว่าพูดมาก็พอหอมปากหอมคอสมควรเวลาวันนี้พูดเรื่องสบายสบาย คงไม่มีใครหลับนะในในวันที่อัลมาเทศอะ่ะอาจจะเป็นกรรมก็ได้เพราะว่าทำให้พวกโยมเนี่ยหลับไม่ลงเดี๋ยวไปหลับรายการคนอื่นก็นแล้วกันสุดท้ายที่จขอให้ญาติโยมมีความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปขอจบลงแค่นี้